4. ปฏิญญาตกรณะว่าด้วยระงับอธิกรณ์ตามคำรับของจำเลยเรื่องพระฉับพักขีสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีลงโทษภิกษุทั้งหลายโดยไม่ได้ปฏิญญาคือลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้าง ปรับภาชนิยกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุกเขปณิยกรรมบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยละพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนพวกภิกษุฉับพักคีจึงลงโทษภิกษุทั้งหลายโดยมิได้ปฏิญญาเล่าคือลงตัชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปรับภาชนิยกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้างอกเขปนิยกรรมบ้างแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ